คงมีเงาเจ้าในใจ เขาแทนที่ส่งคําโชคดี ดังที่เธอรักเขาให้คุ้ม ยังอากมีทุกใจเมื่อได้ก็ตาถ้อยคำของอ้าย พระเหมือนดังที่เธอรักเขาให้ ยังเธอยังจํา รักเธอเหมือนดังที่เธอรัก